ยืนเข้าแถวกันเต็มหน้าหอประชุมเยอะมากๆมากันบ้านละสามสี่คนบางบ้านก็ห7เจคนบางบ้านก็ร่วมสิบคนก็มีเขาแจกทุกคนที่มารับแจกสิ่งของไม่ว่าบ้านไหนจะมีสมาชิกสักกี่คนก็ตามก็แจกหมดพี่ยิ่งทํทำตามคำมั่นสัญญาจริงๆด้วยเขาอาทีมนานมาขบวนคาราวานมาจอดหลายสิบคันสิบล้อมันเยอะจริงๆชาวบ้านพากันดีใจใหญ่ แม้แต่ตัวเราเองก็ยังรู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจที่ทางรัดเขามีให้ขอแค่นี้แหละสิ่งของเครื่องใช้ข้าสารอาหารแห้งเล็กๆน้อยๆพอประทางชีวิตไปสักระยะหนึ่งแค่นี้ก็ปราบปลื้มใจจะไม่รู้จะว่าไงแล้วนี่แหละชาวบ้านล่ะเขาไม่ได้เรียกร้องอะไรมากมายหรอกก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติใครมันจะไปฝืนธรรมชาติได้ล่ะไม่มีทางหรอกอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด แต่เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วชาวบ้านเดือดร้อนทางหน่วยงานของรัฐก็พยายามหาทางช่วยบรรเทาทุกข์บำรุงสุขและหาวิธีมาช่วยแก้ไขภาวะที่เกิดขึ้นนับว่าเป็นความถูกต้องชอบธรรมแล้วละ่ะไปทางไหนก็จะมีแต่คนสรรเสริญเขาทำได้แล้วเขาทำสาเร็จเขาส่มชุดพระราชทานแล้วก็เป็นคนมอบสิ่งของเองรวมทั้งข้าวสารอาหารแห้งด้วย ข้าวถ่ายมานนะครับใครอยากได้เร็วๆช่วยต่อแถวด้วยนะค ะ, คะคข้าวถ่ายให้เป็นระเบียบเรียบร้อยด้วย น, น, นะครับทางการมีข้อมูว่าการกระทรวงเกษตรและสรัากรเป็นผู้มาแจกให้กับมือเลยนะครับ ขอทุกคนไม่ต้องกังวลใจนะครับเรามีของเครื่องใช้ข้าวสารอาหารแห้งให้ทุกคนแน่นอนครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับของแจกมี2ถุงใหญ่ๆนะคะ2ถุงต่อหนึ่งคนถุงหนึ่งใช้เป็นเครื่องใช้และสิ่งของจําเป็นรวมทั้งยาสระมันประจําบ้านด้วยแล้วอีกถุงหนึ่งก็เป็นข้าวสารอาหารแห้งนะคะทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มองเห็นความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องก็เลยขันอาสาแจกด้วยมือของท่านเองเลยนะคะเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องที่ยืนอยู่หน้าหอประชุมนี้ทั้งหมด ช่วยปรับมือให้ท่านเพื่อเป็นการขอบคุณท่านที่ได้มองเห็นความเดือดรัอนของพ่อแม่พี่น้องด้วยค่ะขอเถิดปรับมือเป็นกำลังใจให้ท่าน้านบุญปีด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากยาครก้าขอบคุณครับขอบคุณมากเลยครับเราจะมาช่วยจนกว่ารลางจะหายนะต้องกังวลกันนะครับขอบคุณหลายๆเดอขอบคุณหลายขอบคุณครับ ให้แข็งแรงแข็งแรงนะครับคุณป้าขอบคุณหลายๆเด้อครับฝนฟ้าปีนี้แห้งแล้งมากนะพ่อหนุ่มครับท่านแล้วจะไม่มีอะไรกินอยู่แล้วละครับผมขอเอให้ของพวกนี้นะไปประทังชีวิตชั่วคราวก่อนนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากท่านช่างใจดีเหลือเกินฮะเราพยายามสบตาพี่ใหญ่แต่พี่ใหญ่ก็คงจะเราไม่ได้แล้วไม่ทันคิดอะไรแต่เรานี่สิทิคิดไปไหนจะไหนแล้ว พี่ใหญ่เปลี่ยนจากตอนที่เ อ, อเป็นเขาวัยรุ่นมากจดเดียวเหมือนคนละคนกันเลยจะรู้ว่าเป็นเขาก็เพราะได้ยินห้าพี่น้องคุยกันดังพอที่เราจะได้ยินพี่ใหญ่อ้วนใหญ่สมชื่อจริงๆหิวดคราวยาวเฟ้ยเลยก็พี่นอพี่เทาดีนิสยัยไม่จะเปลี่ยนไปแล้วละ่ะก็ตอนเนี้เข้าสู่วัยผู้ใหญ่แตม ต, ตัวไปแล้วนี่นาจะเจ้าโรมเหมือนตอนวัยรุ่นได้ยังไงล่ะ คณมากมากนะครับถ้าไม่มีท่านมาช่วยพวกเราอะพวกเราคงต้องอดตายแน่ๆเลยครับอ๋อเหรอครับ อ, อ, อยากจะบอกท่านว่าพวกเราดีใจเหลือเกินไม่ไม่เคยดีใจอะไรอย่างนี้เลยน้ำใจของท่านน่ะช่างประเสริฐเหลือเกินขอบคุณมากๆานะครับขอบคุณครับขอบคุณเช่นเดียวกันนะช่วยครั้งนี้แล้วไม่ได้หมายความว่าทางรัฐนะ่ะจะหายไปเลยนะมีมาช่วยเหลือเราอีกหรอครับท่านอ๋อมีสิมาแจากอย่างนี้หรอครับก็ต้อดูสถานการณ์ก่อน แต่ทางรัฐต้องเข้าไปช่วยเหลือเรื่องฝนฟ้าก่อนนะดูว่าจะทํำยังไงจะให้เกิดฝนตกลงมาได้ให้ชาวบ้านได้ทําเกษตรแล้วค่อยมาดูว่าชาวบ้านยังพอมีข้าวกินไหมแล้วพืชผลในไร่ใน น, นนาหนาๆเก็บเกี่ยวกันได้บ้างหรือยังหรือมาว่ากันอีกทีนึงว่าจะทํำยังไงจะแจกอย่างนี้หรือทําอย่างอื่นก็ค่อยมาว่ากันเออแต่ว่าตอนนี้แจกกันก่อนนะคนละสองถุงนะครับขอบคุณมากครับท่านขอบคุณมากครับ อรัครับรับของเป็นบรรทาความทุกข์ชั่วคราวก่อนนะครับครับคขอบคุณมากเลยขอบคุณนะขอบคุณที่มารับสิ่งของด้วยนะครับขอบคุณมากขอบคุณเลยครับรับของไปปรรุงสุขก่อนนะครับครับผมขอบคุณมากครับผมครับครอบครัวอยู่เป็นสุขดีนะครับครับผมอยู่เป็นสุขดีครับผมอสองถุงสําหรับคุณครับไปฮะขอบคุณครับโอท่านใจดีเหลือหลายขอบคุณหลายๆเด้อเช่นกันครับเช่นกันขอบคุณครับขอใมีความสุขมากๆนะครับครับครับ เป็นไงบ้างครับก็ดีใจครับดีใจมากเลยครับผมก็ดีใจเหมือนกันครับที่ได้เจอคุณอ่ะอะไรนะครับเออผมหมายความว่าผมดีใจที่ได no ้เอาของมาแจกชาวบ้านทุกทุกคนนะครับอ๋อครับครับครับแล้วบ้านคุณมีใครไม่ได้รับของแจกบ้างไหมครับอ๋อก็เอ่อมีมีพ่อแม่ของคุณล่ะฮะก็พ่อตามมองไม่ก็เห็นครับมาร์กลำบากก็เลยไม่ได้มารับของแจกทั้งที่พ่อก็อยากจะมานะครับแต่เดินเหินไม่ค่อยคล่องตัวก็เลยให้อยู่บ้านนั่นแหละครับส่วนแม่ผมตายไปหลายปีแล้วครับอืมเสียใจด้วยจริงๆนะครับท่านเสียใจเรื่องอะไรครับ ก็เสียใจด้วยกับการสูญเสียภพการิยอยงคอุณไงล่ะครับเป็นพระคุณอย่างสูงครับขอบคุณมากๆเลยครับวิญญาณแม่ผมอยู่แถวนี้ได้ยินท่านพูดอย่างนี้คงจะปลาบปลื้มใจสุดๆแล้วครับถ้าดวงวิญญาณของแม่มีจริงแล้วก็แม่อาจจะไม่ดีใจเลยก็ได้เ <c oughs> พราะเราไม่ได้กลับมาร่วม ง, งานศพของท่านเราทำให้ท่านต้องตรอมใจแ <c oughs> ต่แท้เราหายไปไม่กลับมาหาแม่แม่ก็องถึงเราไม่ได้นี่ล่ะรู้สึกผิดจนถึงวันนี้แต่ก็พยายามคิดว่าพระเจ้าทรงรู้ และส่งช่วยเราได้รับรู้และเราว่าทำไมเราถึงกลับไปหาท่านไม่ได้มาคราวเนี้เราตั้งใจไว้แล้วว่าจะต้องหาทางไปบ้านไปกราบท้าพ่อและขอคามาแม่ที่สุดสารให้จมได้ ครับครับคับท่านเป็นอะไรหรือเปล่าครับเห็นท่านนิ่งไปนะครับอ๋อไม่มีอะไรครับเอาไปสองถุงนะฮะให้พ่อของคุณด้วยนะครับบอกท่านให้หายไวๆนะครับเป็นห่วงอะนะครับโอ้ขอบพระคุณมากๆเลยครับขอบคุณครับครับครับครับเรายืนยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เหมือนชาวบ้านนั่นแหละหน้าหอประชุมอำเภอแต่ก็เห็นรอยยิ้มของผู้คนที่มารับของแจกจากพี่ยิ่งอิ่มอกอิ่มใจกันทั่วหน้าจริงๆเลยงานเนี้ยขอบคุณพี่ยิ่งมากเลยนะคะ ที่พี่ได้ทำตามคำสัญญาแล้วไม่ต้องกลัวนะฝนก็จะทำตามคำสัญญาเหมือนกันค่ะ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 ฉันยังเป็นห่งเธอวันที่เธอนาววันที่เธอเงาเธอจะปวดราวก็จเจ็บสักเพียงไหน Samson, when มื g h t mists roll, not l e a v ว n g anyone. Remember that I'm ง t i l l h e r คุณที u เธอน s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 ดังเดิมที่เธอเคยนอนนนั้นและฉันตั้งใจเก็บมันให้อยู่ดังเดิมอยามีนแม้วนเตีจะไม่มีใครแต่ก็เหมือนมีเธอ เบเหมือนเคยเพียงดีกลิ่นหอมจากมอนใบเดิมที่เราแต่งเพื่รวมฝันแค่ได้คิดถึงกันก็สุขใจปลิ่นทองความรักกลิ่นขุงความรัก่เคยจะจางหายไปไม่ว่าวันเวลามันจะนานถึง่าไหร กกินก่นขใจคความรักกลินของความรักใเคยจะจางหายไปถึงแม้ว่าวันเวลามันจะนาจะเ่าไรก็มีเธอไม่รักใครกลิ่นของความรักรกลิ่นของความรักมันยังตั้งอยู่ในหัวใจหอมยิ่งกว่าน้ำหอมของใครคนไห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 ชีวิตเราต้องมีช่วงที่ดีแล้วร้ายอาจมีใครมากมายที่รูมสุขตวตอนที่เราทุกใจมองหันไปไม่เคยเจอใครมีเพียงสองเราเท่านี้แล่ดีที่ชีวิตคน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 t r h i a n i g a n m e o you l e t t w o r e e e s o r n t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 ว่าความรนั้นมต้องการอะไรมากกว่าใจกับใจที่ให้กัน <H DOWN> บางทีคนเราเหมือนมไปว่าอะไรจะมีความหมา ย, ายส คำสำคัญนั้นมีค่าระกราศไว้ให้ดียังคำว่ารักคำนั้นที่เคยบอกกันและกันเพียงแค่คนละวันได้เลยผ่านยังมองคำบางสิงมองคำบางอย่างยมงคำว่ารักคำนั้นนึกถึมความรู้สึกนั้นคงสำคัญั้นมีค่า รักษา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 ไอ้นี <arna> ่ท่านนี้นะจะดีเป็นบ้าเลยวะฮะถ้าก็เห็นออืแจกคนละถุงสองถุงถุงใหญ่มากๆเลยข้างในเขาจะมีของใช้เพียบเลยในนี้แน่นอนอยู่แล้วเยอะด้วยนะโดยเฉพาะถุงอยู่ข้างล่างไงนะนักกว่ถุงบนแยอเลยอะถุงลัางน่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งนะออืข้าก็ไหวกันละฮะไอเย็นเออเออนี่ไอเย็นอะไรพี่ท่านท่าพูดเลยกับเองวะเห็นยืนพูดอยู่นานสองนานท่านนินรอมากเลยนะเว้ย ข้านีปลืม้มท่านจนบอกไม่ถูกเลยว่าอท่านเขาจะชอบเองไว้เย็นทีบ้าทำอะไรคิดอย่างนั้นละ่ะพี่ยง้งมันจริงไหมล่ะจริงยังไง อ, ะอ่ะอ้าวก็ดูเด้มือของเองกำลังหอบอะไรอยู่ก็ของแ<ะ>จงอะ่ะมันเหมือนกันหมดนะ่ะเหมือนกันที่ไหนวะพวกข้าได้คนละสองถุงแต่เองนี่สิได้คนเดียวสี่ถุงเลยเว้ยเออเออจริงๆด้วยว่ะเองไี่ต้องสี่ถุงจริงด้วยข้ามวัวแต่ดีใจก็เลยลืมมองที่เองหอบมาเว้ยนี่เองไปพูดอะไรกับท่านไว้เย็น ถ้าทั้งได้ถูกใจเองขนาดให้ข้าวของเองมากกว่าคนอื่นนะฮะข้อผู้พี่เนี่ยเขาใจผิดกันไปหมดแล้วอ่ะเอ้าเขาใจผิดยังไงเอ่ก็นั่นหรือซีก็เห็นเห็นอยู่นี่ว่าาว่ามาเลยไอเย็นว่ามาเลยเอ็งไปพูดยังไงคะท่านนะไม่มีอะไรหรอกท่านถามว่าพ่อกับแม่อยู่ไหนไม่ได้มาด้วยเหรอก็เลยบอกไปว่าพ่อไม่ค่อยสบายส่วนแม่ละตายไปแล้วท่านเห็นว่าพ่อมาไม่ได้ก็เลยใเอาไปฝากพ่ออีกสองถุงและอวยพรให้พ่อให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆฮะถ้านอวยพรด้วยเหรอเออ ข้าที่กหพี่ทำไมอ่ะท่านใจดีจริงๆเลยว่าออจริงด้วยเกิดมาจะไม่เคยเจอเลยนะบาปเนี้ยอ่าครั้งเนี้ยเป็นครั้งแรกนะเว้ย อ, อ, อือจริงๆด้วยข้าก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันเฮ้ยนี่ผู้พี่เห็นไหมท่านน่ะท่าทางจะรวยมากด้วยเออเอ็เองดูยังไงวะออไอ้ยมพี่ใหญ่ไม่เห็นเหรอ อ, อว่าท่านอ่ะใส่อะไรมั่งใ ส, ส่อะไรอ่ะสร้อยคอทองคำอํำออเส้นกันตันเท่านิ้วหัวแม่มือแล้วมั่งอือแล้วยังนาฬิกาอีกนี่ ของฝั่งเพชรนารยี่ห้ออะไรนะที่ดังมากๆแล้วก็แพงสุดๆนะ่ะใครรู้บ้างไหมฮะให้ข้ารู้ไอะไรวะฮะนั่นสิ<ม>ยี่ห้ออะไรเล่าเองรู้ได้ไงเองเคยเข้าบังกอกเหรอฮะเออข้ารู้ก็แล้วกันน่าออรู้เขาพูดสีกทีนะพี่ยองเอาก็ยี่ห้อโคเลนไงเฮ้ยมีเช่นไหนยีห่หอโคเลนน่ะเขามีแต่ยี่ห้อโลเล็กโคเลนะ่ะมั่วแล้วพี่ยงเออนั่นแหละนั่นแหละอะไรเล็กๆนั่นแหละ แต่เสียงมันใช้ได้ไหมหรอือว่าไอ้อะไรโครเลนกับโรเล็กเนี่ยฮะน้ําเสียงมันได้นะเว้ยฮะเขาว่า ก, กันที่เสียงอ๋อเหรอไม่ใช่ที่ตัวสะกดไม่ใช่หรือว่าอ๋อโอ้อโคเลนกับโรเล็กเนี่ยนะเร่งเยอะมัว เ, เ, เดี๋ยวเสียยี่ห้อเขาเสื่อราคาด้วยงานนี้นะหายอดอยากปากแห้งสัทีทีนี้เองเออจะกินให้อิ่มท้องไปเลยใช่ <laughs> เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับพวกคุณครับจะไปไหนกันครับพวกคุณนครับี๋ยวนครับใช่ครับพวกคุณนั่งหมดนั่นละครับทำไมพี่ต่อยข้อมือทองคำของท่านรัฐมนตรีหายนะไปไหนนะไปไหนนะครับ พี่คิดว่าพวกผม่เป็นคนขโมยสร้อยของท่านอทุกคนที่หน้าหอประชุมนี่มีสิทธิ์เป็นผู้ต้องถงใครหมดแหละครับสวยแล้วไม่เรามารับของแจกจะโดนข้อหารักทรัพย์ติดคุกขัวโตแน่เว้ยถ้าพอคุณบริสุทธิใจจะไปกลัวอะไรล่ะครับแค่ขอค้นดูของเท่นนเน า, าทนั้นเองแล้วก็ค้นร่างกายเท่านั้นเองล่ะครับค้นตัด้วยเหรอใช่ทําไมรครับมีปัญหาเหรอเออไม่ไม่มีหรอกครับเชิญค้นได้ตามสบายนะครับ เชินะครับคนผมก่อนเอ่เดี๋ยวคนใครคนผมก่อนไหมช่วยเขช่วยเขาเลยพวกเราอาล่ะคนคนคนเจ้าหน้าที่เดินเข้ามาคนพวกเราทีเดียวครบเลยเหมือนตั้งใจจะมาสกัดเราเลยนะเนี่ยจะมีใครไปกล้าขโมยสร้อยคอหมือของท่านล่ะอยู่ในมือแท้เวลานี้ต่างคนต่างก็ดีใจจะไปขโมยให้โดนจับเข้าเข้าไมเล่าในครับโจละครับอยู่กับใบคนนี้ครับเฮ้ยอเย็นผมเปล่านะครับผมไม่เป็นคนขโมยนะครับพี่ เอาตัวไปสอบสวนเลยพวกคุณที่ไปเกี่ยวข้องกลับได้นะครับไอ้เยอ็นไอ้เย็นพี่ช่วยผมยด้ยสิผมถูกใสร่ร้ายอ่ะผมไม่ได้ขโมย น, นะพี่ช่วยผมด้วยอเอาไงดีเพ่อาย็นโดนเจ้าหน้าที่หิวไปสอบสวนแล้วกลับไปบอกพ่อก่อนแล้วกันนะของอยเย็นสี่ถุงแบกกง่งกันทิวเพิ่มเมนคนละถุงกแล้วกั น, กนไปพวยพวกเราแล้วก็ครับพี่ใญ<ห>่ไปไป